ท่านสาธุชนพุทธบริศัพทั้ง ท่านถามว่าทํายังไงปลาจึงจะอ้วนสมบูรณ์ดีปลาจึงจะรักษากําลังใจกันก็ตอบ เพียงแค่กระทบนิดเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ยังนำลงไปในขุม ก็ก็ยับยังเรา 2508 ที่ 2503 เป็นต้นมา เบื่อความวุ่นวายของคนคนกับพระ อยากเข้าป่าก็เดินทาออกต่างจังหวัดไปอยู่ในสถาน 40 ปีเสร็จแล้วแก่แล้วในเกรง <c oughs> โตเองเห็นตัวว่า 30 ปีเมื่อถึงอายุ 30 ปีก็ตัดเรื่องการแต่งงานคิด 30 ปีไปแล้วมันแก่เกินไปธรรมะอ่ะกินไม่ทันลูกมัน ใครจะไปยังไงจะมายังไงก็ ถามว่าจะศึกจะทําอะไรจะแต่งงานหรือเปล่าก็ เราเป็นคนปะแก่ขนาดนี้แล้วทําไมจะมาสนใจกับเราไม่เป็นการ บางคนที่มีปัญญาหน่อยก็เคยก็ศึกษาเรื่องทุกข์มาเมื่อประสบกับ พระพูดกับคนคนพูดกับพระกับคนคนพูดกับพระเขาจะพูดแบบไหนขึ้นเรื่องของเขาดู แต่คืนนั้นท่านแสดงอาการต่างๆทุกอย่างว่าท่านต้องการ มารดาพระหญิงภัสยาขอโทษหญิง 7 ชั้นหญิงคน 40 อย่างเธอ เธอก็บอกว่าถ้า การอย่างนี้ประการของความทุกข์เพราะถ้าอยู่ตัวคน ท่านสันธาลโลก็ตัดสมุทรใต้กิเลสไปสมุทรท่านเป็นพระอรหันต์ประกอบด้วยปัญญาเป็นสมิทายานเท่าธรรมะทั่วไปจำได้ไว้ของท่านอนท 2 นี้ได้อัตมาไม่ใช่ท่านอนท 2 พระสารีบุตรท่านเป็นพระ ถ้าพูดยังไงมาก็ไปรู้เรื่องทําเฉยๆวางทนไม่พระเขาก็ไม่กล้าคําว่าปล้ําว่าพระสารีบุตรท่านทําอย่าง ข้าพเจ้าการอย่างไรเค้าก็แสดงมาแล้วอธิบายอาการอย่างนี้ก็ใช่คราวนี้ก็ใช่ท่านมองมาวงไปมองธรรมสังเวกอาตมา เกิดตรงควบคนทุกประเภทคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าวันจะจะบรรลุ <c oughs> ไม่หวั่นไหวไปตามเขาคิดในใจว่าเราแก่แล้ว ขณะที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเขาเริ่มเข้าจดสงบจิตตอนนั้นก็ทําจิตสงบเหมือนกัน ตอนนี้เวลาท่านเห็นพระออกจากจุฬาลงกรณีย์พุ่มพัด <c oughs> <c oughs> มาคราวนี้ก็เหมือนกันตามนิมิตคือความฝันตานิมิตคือความฝันก็ <c oughs> สิ่งของบาปก็เข้ามาถึงตัวเหมือนกันแต่ เป็นผู้ชาย 2 คนสวยหน้าตาเรียบร้อยมรรยาท ก็ท่าน <c oughs> ก็ขอบคุณท่านอาสองท่านอาสองกับพระคาบพระครองเดินส่งข้างไปในที่ แต่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจิตมันก็หยาบตลอดเวลามันไม่ หลักในฌานนี้พัฒนาญาณอ่อนร่างกายไม่สามารถจะขยับ คำสมัยก่อนกับหมายความเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมันดี เวลานั้นก็มีเสียงก้องก้องออกมาจากอากาศบอกว่าไม่เป็นถ้าเรา จึงไม่ว่าเวลานี้กําลังใจ เธอก็ทิ้งมันแล้วเธอไม่สนใจเธอมีสิทธิ์ที่จะไปเบื้องบนสูงสุดได้แต่กําลังใจของเธอหนักในการ ก็เป็นบันไดอีก 6 พูนบันไดใหญ่มาก ให้งานตามคำ 10 ปีก็เป็นว่าในเมื่อ ก็จำแนกนายชายวฑัญเพศกาลีท่านเป็นวัสดุปันตายเมื่อสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงประทชนอยู่เวลานี้สาวกขององค์สมเด็จพระอรหันตสูรคู่เป็นรุ่นพี่องค์นี้ท่านไปนิพพานแล้วด้วยอย่างก็มีเสียงนั้นตอบว่าเพศกาลี พอบันไดทอดมาก็จะขึ้นบันไดเวลานั้นไม่เชิดไม่เด็ดนิมิตก็เหมือนความฝันที่การแสดงออกของอีก <c oughs> <c oughs> ท่านมีความรู้สึกว่าเป็นพระมหามุขลาที่ตัวก็เบาถึงแม้ร่างกายจะหยาบตัวเบาไม่รู้สึกเหนื่อยพอเดี๋ยวเดียวก็ถึงยอดเมื่อ เสือก็ใกล้ๆเชิงบันไดที่ขึ้นไปทางขวา <c oughs> แนะนำถึงลีลาที่จะพยายามนําคน สามารถยามตัดโทสะโมหะความหลงด้วยการตัดค่อยๆละทีละน้อยแต่ที่สุด อ่ามีกําลังใจอย่างกลางๆคร่างๆผมโลกก็มีความสุขก็ต่อมาท่านก็ย้ํา ถ้าถ้าถ้าสอนนี้ได้คนที่ไม่ใช้สถาน หลังจากนั้นมาท่านก็แนะนําว่าการมีความสําคัญให้คนทุกคนได้เข้า ในเมื่อจิตก็จับวัดเป็นอารมณ์ก็ตามจับพระอารมณ์ก็ตามก็ถือว่าเป็นอนุสติที่มีความสําคัญเป็นบุญใหญ่หลังจากนั้นที่จะบอกว่าถึงเวลาแล้วนี่จะนั่งวันนี้นานไม่ได้นะต่อไปจึง <c oughs> <c oughs> ที่ต้องมีร่างกายหยาบต้องขึ้นบันไดเพราะว่าเธอตัดสินใจ ให้มันหมดไปตามวาระของมันไม่ 2,000 ปี จึงเข้าไปหาท่านเปรศกาลีถามท่านว่าท่านมีความสุขมากไหมท่านบอกความสุขที่สุด เกิดครั้งหลังนี่แค่อายุ 19 ปีท่านก็ต้องตายแล้วกว่าจะถึงอายุอายุ 19 ปีก็ทําประกอบพิการหนักพิการหนักต้องทํามาหากินเนี่ยอาชีพ ยังมีความเบื่อในการที่จะเกิดมีร่างกายต่อไปร่างกายก่อนนี้ไม่ได้เกิดมัน ความหิวก็เป็นทุกข์ความกระหาย ทุกวันเธอนั้นบอกว่าต้องเห็นพระพุทธเจ้าต้องมานิพพานให้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นพระ เรื่องของเราก็เรื่องของเราที่จ๊ะเราจะไปสนใจเรื่องคนอื่นเรื่องของเราคนเดียวก็แล้วก็ ทำไมจะไปดูคน ยังมีความไม่ได้แล้วมีความรักร่างกายหรือมั้ยเห็นร่างกายนี้จะทรง กับพระมหาภิกขุทั้ง 30 นาทีพอดีจะหมดขอขอลาก่อนสวัสดี